i n s p i r a t i o n การโดนใจหรือการได้รับความคิดจากโลกทิพย์การโดนใจไม่ใช่เรื่องของการทำงานของเซลล์สมองของมนุษย์ที่นึกฝันเห็นภาพอันบันเจิดจ้าหรือคิดอะไรได้ด้วยตนเองอย่างเดียวแต่การโดนใจหมายถึงการส่งกระแสความคิดจากโลกทิพย์ผ่านทางสมองของมนุษย์และกระแสความคิดดังกล่าวนี้ อาจจะมาจากส่ว น, นไหนๆของโลกทิพย์ก็ได้คือในบางครั้งก็อาจจะมาจากภูมิสูงสุดของโลกทิพย์ทีเดียวแต่บางคราวก็อาจจะมาจากภูมิต่ำที่สุดได้เหมือนกันหรือบางทีก็มาจากภูมิชั้นกลางระหว่างภูมิต่ำสุดและสูงสุดก็ได้อีกทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่าบุคคลผู้ได้รับการดลใจนั้นๆจะเป็นบุคคลเช่นใดคือจะมีพื้นจิตใจซึ่งมีภูมิธรรมขนาดไหน การดนใจที่มาจากภูมิฝ่ายสูงก็ย่อมเป็นไปเพื่อความดีงามทายเดียวเช่นเป็นไปทางศิลปะและดนตรีซึ่งให้เกิดความประณีตและซาบซึ้งไม่ใช่ศิลปะและดนตรีชนิดหยาบคายที่บิดเบือนความมุ่งหมายของศิลปะและดนตรีอันบริสุทธิ์ให้ตกต่ำเลวทรามลงไปและบางคราวก็อาจเป็นไปในทางวิทยาศาสตร์คือเป็นการช่วยให้เกิดการค้นพบต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ หรือไม่ก็อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมและบทละครซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยังง่งยืนอยู่ไปเป็นเวลานานๆในทางตรงกันข้ามแรงดลใจที่มาจากภูมิฝ่ายต่ำก็จะเป็นแนวคิดที่ทําให้เกิดความยุ่งยากความไม่สงบความเดือดร้อนวุ่นวายและสงครามหรือบางครั้งก็เป็นเหตุให้เกิดวรรณกรรมซึ่งแหลมตามต่ําช้าเป็นเรื่องหน้าขายหน้าสําหรับบุคคลผู้มีศิลธรรมหรือไม่ ก็เป็นดนตรีชนิดที่มีเสียงและท่วงทำนองหยาบโลนเป็นเสียงซึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นในโลกทิพย์ป่ายภูมิสูงขึ้นได้เลยแม้สักชั่วขณะเดียวอันที่จริงถ้าไม่มีการดลใจจากกระแสะความคิดของโลกทิพย์ทางฝ่ายสูงช่วยอยู่บ้างแล้วโลกมนุษย์คงจะต้องได้รับความยุ่งยากมากกว่านี้อีกหลายเท่านักเพราะเท่าที่มองดูจากทัศนคของชาวโลกทิพย์ทางฝ่ายสูงแล้วก็รู้สึกว่า มนุษย์ในปัจจุบันนี้เกือบจะคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยคือเรียกว่าใช้ชีวิตเลี้ยงร่างกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยเกือบจะไม่ได้มีเวลาคิดถึงเรื่องจิตใจกันเลย